กลับนักก า, าการพ ร, าระอาจารย์ภพบูล์ครับอาจารย์เด่นพรธรมาก็พระภัยบูรณ์อภิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไหโศกตอนนี้เป็นตอนที่2ใช่ครับตอนที่สองของเปิดธรรมที่ถูกปิดภาพออนไลน์ซึ่งเราเพิ่งเริ่มดําเนินการในการที่จะเอาธรรมะประเด็นอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญควรแก่การที่จะมาสกักฉาคือสนทนากันครับแล้วก็เพื่อให้ความแตกต่าของธรรมะมีมากขึ้น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 แล้วพระเจ้ายังเป็นคนบอกว่าแม้พระองค์นะตอนอายุ80บนะใครเป็นคนบอกว่าคนอายุแปเนี่ยจะปั้มๆมเป๋เปความจําไม่ดีไม่ใช่ตถาคตพูดไปเลยพูดกับภาษารีบุตรไหมแม่นยําำต่อให้คนหามตถาคตไปด้วยเตียงเล็น้อยสำหรับหายคนทูทุพพลภาพแต่ปัญญาอันเฉียบแหลมม่วงวัยแห่งตถาคตก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีลดถอยไปเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะตถาคตพยากรณ์สิ่งใดสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นจริงตายตัวไปแล้ว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 ก็คือดูตามาการปฏิบัตบิการปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ศึกษาอย่างเดียวโดยไม่ได้ปฏิบัติก็จะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้คือยังมีข้อข้องใจอยู่แต่พอเอาไปปฏิบัติแล้วแม่มันเข้าใจลึกซึ้งเพราะมันเข้าใจตึงหัวใจถ ค, คือคือตรงเนี้ยธรรมะที่พระเจ้ากล่าวสอ น, นออกมาจากใจนะสมมติเนาะหมอรัศมิง์นั่งสมาธิไปมีอาการของจิตเป็นแบบนี้แบบนี้ เรามานั่งสมาธิไปมีอาการของจิตเป็นแบบนี้แบบนี้2อ อ, อาการนี้อาจจะเหมือนกันก็ได้แต่การกําหนดบทพันชนะพูดอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับของพทะเจ้าเป็นไหมเป็นพระเจ้านั่งสมาธิไปมีอาการทางจิตอย่างนี้อย่างนี้แต่กําหนดบทพันชนะที่พระองค์อธิบายออกมาเป็นคําพูดเ น, น, เนบเพราะฉะนั้นถ้าเราคําพูดที่ท่านออกอกธิบายออกมา เ, เป็นเหมือนกับว่าฟีดแบ็เป็นลักษณะที่ให้ข้อมูลว่าอาการทางจิตควรจะเป็นอย่างนี้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 ทันไม่เห็นเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์ตรงไหนเอ้าก็ไอสิ่งที่ถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ได้เนี่ยนี่เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงนะแต่บางทีไม่เห็นก็จิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณจะไปเห็นได้ไงใช่ครับจิตไม่นิ่งพอที่จะรับรู้ความจริงใช่เพราะนั้นประเด็นตรงนี้คุณจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยครับนอกจากไปนั่งสมาธิให้จิตเป็นสมาธิซักแล้วเห็นตามที่เป็นจริงมันจะได้ นี่คือการปฏิบัตินี่คือประเด็นหน่งที่สองส่วนประเด็นหนที่สามนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของประวัติศาสตร์ว่าการดําเนินการอะไรต่างๆมานี่เป็นอย่างไรครับอันนี้ผมเคยได้ศึกษา ม, มานะครับก็คือว่าการพุทธวจนะเนี่ยคือคําสวดของพระอระหันต์นะครับเขาเรียกว่าการสังขยนาคือครั้งที่1เนี่ยมีพระมหาการสปะเป็นผู้นํา องศาสังคายน า, าหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานนะครับก็คือพระอรหันต์ห้ารอลูกมาสวดร่วมกันคือพระองค์เคยกล่าวอะไรไว้เนี่ยก็คือพระที่ได้ยินได้ฟังก็จะนํามาสวดามาบอกกันใช่คําบพระลูกอื่นก็จะสวดรับรองมากจริงถ้าไม่จริงก็ตัดออกถ้าจริงก็สวดต่อต่อไป น, นั่นคือรู้สึกจะเจ็ดวันหลังปรินิพานครับและหลังจากนั้นมีการสังคายนาครั้งที่สองนะครับ เข้าใจว่าประมาณพศ100ก็คือหลังหลังเจดจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสิทธิ์ไป100ปีนะครับก็จะมีการสังคยนาครั้งที่สองและหลังจากนั้นก็พระเจ้าอสงหาราชนะครับก็มีการสังคยนาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดพิมจัด เ, เขาเรียกทรงอักษรบนลงเสาหินลงเขาเรียกว่าลงอักษรมีการลงอักษรใับนั่นประมาณพศ อ, อ, อะไรก่อ เข้าใจว่าประมาณพอส400กําังครับ 300-400 ประมาณนั้นอันนี้ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังมีข้อมูลตรวจสอบอันนี้ตัวแย้งได้นะครับแต่ว่าอันนี้เท่าที่รับทราบมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเผยแพร่นะครับโดยพระเจ้าสรงมหาราชก็เผยแพร่ส่งสมณทูตออกไปนะครับซึ่งสายหนึ่งก็มาที่ดินแดนสุวรรณภูมิคือบริเวณประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับ สมัยนั้นก็จะมีการเผยแพย่ตั้งแต่ยุค ข, ของอาฮาริพุนชัยทวรารวดีนะครับแล้วก็ต่อมาสุขโขไทยอายุทยาส่วนตัวเองได้ไปเห็นหลักศิลาจรลึกของอเรื่องของธรรมะโดยข้อธรรมที่เห็นก็คือปฏิจจสมุปบาทนะครับที่ปัจจุบันยังอยู่นะครับพี่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุโขทัยได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วอันนั้นเป็นของสมัยอะไรเหรอสมัยอันนั้นเป็นฝมัยสุโขทัยสุโขทัยครับครับลหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่ต่อมาจนถึงยุค ข, ของราชการที่1นะครับซึ่งหลักฐานยังมีอยู่ที่หอมูมเทียนธรรมวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ต่อมาสู่ราชการที่5นะครับซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับจัดพิมพ์แล้วก็ส่งไปทั่วโลกใช่ครับ ครับอันนี้คือที่ได้รับฟังร<ช>ับศ<ะ>ึกษ า, ามาแล้วก็ฉบับนั้นก็คือเป็นฉ บ, บับที่เราเรียกว่าริมกันเรียกกันว่าสยามรัฐครับบาลีสยามรัฐใช่ไหมครับสยามารัฐประเทศ <อ Ee. S 2> เป็นฉบับที่พิมพ์ขึ้นเพื่อที่ จ, จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะคับครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแม่แบบในาการศึกษาพุธทธวจนะใช่ไหมครับใช่ก็ที่เป็นฉบับที่ทั้งามาหาวิทยาลัยมหามงกุุราชวิตวทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุลาราชวิทยาลัยเนี่ยก็นำเอาไปแปล เอามาเป็นฉบับภาษาไทยของตนเอง <S S แล้วก็ท่านพุทธทาสก็เอามาจากฉบับนี้เหมือนกันอ๋อครับครับที่เรียกว่าชุดหนังสือจากพระโอษรใช่ไหมครับใช่พระโอษเป็นหนังสือชุดเนี่ยเรียกว่าธรรมโคดครับแล้วก็มีห้าเล่มที่เป็นชุดจากพระโอษท่านท่านพุทธทาสเนี่ยมีหนังสือธรรมโคดเป็นร้อยเล่มชุดธรรมโคดมีห้าเล่มเท่านั้นที่เป็นจากพระโอษครับที่ท่านพทุทธทาสได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ ที่โดยหลักที่ว่าเฉพาะพุทธวัจนะตัดมาจากบาลีสยามรัฐตรงนี้แล้วก็แปลเองรวบรวมเองเรียบเรียงเองโดยใช้ทีมงานนี่แหละก็ใช้เวลากันตึ้งยี่สิบกว่าปียี่สิบสองปีเท่าที่เคยศึกษานะครั บ, รบก็คืออันนี้คือเรื่องของพุทธวจนะนะครับก็ถึงมองว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้เห็นข้อธรรมที่แท้จริงจากสมเด็จพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ ในประเด็นของของพุทธวจนะเนี่ยก็ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มเป็นที่สนใจนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะมีว่าเอาถ้าอย่างตัวคณะวัสทั่วไปอย่างเช่นผมเองหรือว่าเออพระพวกเนี่ยมีเรามีครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออยู่แล้วนะครับไม่ทราบว่าเราจะปฏิบัติ ในเรื่องของการเคารพนับถือครูบาอาจารย์ไว้อย่างไรนะครับหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับพระเจ้าบอกไ้ชัดเจนว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสองทสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้ ง, จงหน้าที่ของคารวะที่ควรจะมีต่อพระสงฆ์เนี่ยนะคือเปิดประตูรับน ะ, อะคอยเชื้อเชิญในการเข้าเข้าไปหานะแล้วก็มีเมตตากายวาจาใจ นะแค่นี้เองเราควรจะยกย่องครูบาอาจารย์ของเราที่เรานับถืออยู่เนี่ยด้วยข้อปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติเรื่องศีลใช่ไหมโอ้ยยกย่องท่านท่านปฏิบัติเรื่องสมาธิปัญญาแมงควรจะยกย่องท่านนะนี่คือในเรื่องการปฏิบัติของท่านลองคิดดูหมอรัตตบงคนธรรมดาอ อ, ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนห่มผ้ายอมน้ําฝาดปลงผมคนหนวดนะแล้วก็ไม่อรอะไรละเราหวังสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย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 ถ้าต้องการราเอถึงพระธรรมให้ทำยังไงสว่าขาโตถ้าต้องการราเอถึงพระสงฆ์ให้ทำยังไงสุปฏิปันโนนี่คือคุณนะคุณสมบัติคุณลักษณะของความ เ, าเลิศ<ม>ของความดีของสิ่งสิ่งนั้นพระพุทธดียังไงนี่ไงอิติปิโสพระคาวาพระนางสมมาสมุทโธพระธรรมดียังไงสว่าขาโตก็ว่าวตาทําพระสงฆ์ดียังไงสุปฏิปันโนอย่างนี้นะอย่างนี้ก็คือเรา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 ถามว่าอย่างนั้นเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคไหมใช่สงเนี่ยไม่จะเป็นที่อยู่เครื่องแบบนะครับแต่ภิกษุต้องมีเครื่องแบบเพราะฉะนั้นพระรูปเจ้าบางทีพูดภิกษุสงบางทีพูดภิกษุอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สคนที่มีสมาธิครับอันนี้ก็เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคได้คือเครื่องแบบไม่เกี่ยวเกี่ยวที่คุณธรรมนะสาวกของพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นใครก็ตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติ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 เพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านเนี่ยหน้าที่ของอาตมาเลยพิสูจน์เนี่ยจะต้องให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังครับแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยให้แจ้งแจ้งนี่คือจุดประสงค์ของรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์นะครับคือเราเอาสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังหรือไม่เคยได้ฟังมาเกาะเกี่ยวกับพุทธวจนะมาให้ได้ฟังนะแล้วก็มีการขุดคุยประเด็นโดยมีหมอรันพงศ์มาเปิดประเด็นต่างๆนะคุยหา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 ทำมากตอบปัญหากันอย่างเงี้ยนะว่าเป็นบริษัทที่มีการทําให้ร่วมกันด้วยการอสอบถามทูนถามกันเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นจุดประสองค์อีกอย่างหนึ่งของรายการนี้ก็คือว่าเพื่อสร้างกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เลิศในการที่จะมาศึกษาพุทธวจนะตรงนี้ด้วยครับทีนี้หากคนในสังคมเนี่ย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 คนดีถ้าคิดจะทำดีเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่ถ<ม>้า<ต>คนดีคิดจะทําไม่ดีเนี่ยจะยากจะจะยากหน่อยใช่แต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยคิดจะทําดีเนี่ยจะยากถ้าคนไม่ดีคิดจะทําให้ดีเนี่ยง่ายใช่นะครับตรงนี้ก็มีพระลูะจนที่ยืนยันอย่างนั้นอยู่ครับผมนี้มันแก้ได้นะครับแก้ได้อยู่คือพรพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจิตเนี่ยเมื่อเราคิดเรื่องอะไรมากเนี่ยติดตื้เรื่องใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นครับ คือคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากมใช่ไหมพอคิดเรื่องไม่ดีมากเนี่ยจิตเขาจะน้อมไปด้วยการอย่างนั้นอย่างนั้นทําให้เขาทําความดีได้ยากทําความไม่ดีได้ง่ายแต่ถ้าคนดีเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> เขาจะคิดแต่เรื่องดีๆในเมื่อเขาตรึกตรึกเรื่องดีเนี่ยจิตเขาจะน้อมไปในความดี hmm. เขาก็ทําความดีง่ายทําความไม่ดียากเพราะฉะนั้นถ้าคนเราต้องการเปลี่ยนทำไงคนไม่ดีต้องการมาเป็นคนดีเนี่ย คุณก็คิดเรื่องดีๆมากๆะอ่คุณก็จะเป็นคนดีได้สร้างมโนกรรมที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับคือการแสดงออกของมนุษย์ก็คือทางกายวาจาใจใช่ครับทีนี้กายวาจาใจนี้อะไรสําคัญที่สุดครับพระอาจารย์ครับมันก็สําคัญหมดนะครับคือคือพุทธเาพูดถึงตรงนี้โดยระยะของบุญญกิริยาครับว่ากายเราใช้กายเนี่ยทำให้จิตสะอาดก็ได้ ใช้วาจาทำให้จิตสะอาดก็ได้ใช้ใจทำให้จิตสะอาดก็ได้ทีนี้ใช้อะไรที่เรียกว่าได้ผลที่สุดก็คือถ้าใช้สิ่งภายนอกเนี่ยทำให้จิตสะอาดเนี่ยก็เรียกว่าการให้ทานก็ทำให้จิตสะอาดได้ระดับหนึ่งใช้ตัวเรานะโดยการทำปฏิบัติตามศีลก็ทำให้จิตสะอาดได้ขึ้นอีรกระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็คือใช้จิตในการทาความสะอาดจิตจิตในการสร้างที่กรรมดี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 นะเอาศีนก่อนนะเอาศีนก่อนสีน่า <5 S 1> พอไหมครับพอเลยพอเลยสีน่านี่ดีมากแล้วครนะัแล้วก็ปฏิบัติให้ให้ให้เต็มที่ให้ดีแต่ไม่ใช่ว่าถ้าวันไหนเราปฏิบัติตามศีไม่ได้เกิดความไม่พอใจดา่าลูกดา่าเมียดา่าหัวดา่าคนรอบข้างใช่ใช่เราก็อันนั้นก็จะผิดสีอีนิรเราด่าเขาก็ไม่ดีนะไปผิดมากเพราะฉะนั้นเราก็ทําตามเท่าที่เราทําได้ไปก่อน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 ตามมานี่ก็ไม่ใช่พุทธวจนัก็มีในเรื่องของตำลับตํารานี่จะหาซื้อหาอ่านหรือหาได้ที่ไหนครับเอ่อในการศึกษาของอาตมาเองนะอาตมา ก, ก็ใช้เล่มที่เป็นหลักเนี่ยก็คือธรรมโคตของท่านพุธธทธทาสห้าเล่มแรกรอ่าสี่เล่มแรกสี่ <4 S 1> <ๆ S 2> เล่มมันจะมีเบอร์หนึ่งสอซึ่ง4ี่เบอร์นี่มี5เล่ม น, นะก็คื อ, อพุท ธ, ธประวัติจากพระโอสถ อ, อริยสัจจากพระโอส์ภาคต้นภาคปลายแล้วก็คุมทรัพย์จากพระโอสถ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 เรื่องของโซดาบันเรื่องของการที่วิจัยแก้กรรมแกนแก้กรรมอะไรต่างๆรวบรวมเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ย่อยได้ง่ายศึกษาได้ง่ายตรงนั้นก็มีแจกที่วัดนาป่าพงหรือวี่ลำลูกกาคลองสิทธำลูกกาของสิทแล้วก็วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทหรือวัดน้ำท้องตลาดก็จะเห็นอีกสักสองสามเล่มที่เป็นพุทธกจนลก็มีอยู่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่ท่านสนใจเรื่องพุทธกจนะ